ที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชดอยู่บรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำรานในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเสียนธรรมะ คืองานภาวนานี้เป็นงานขุดคน้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือจะเรียกว่าคุยเจียวขุดคน้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในะจิตใจก็ถูกเมือ่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วทม ที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึ่งรู้พึ่งเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้ความที่ว่ารู้อัดรู้ทรรมนั้นมันมีไปด้ว ย, วยทั้งสองอย่างคือรู้อัดรู้ ร, รมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้น เรียกว่าหมดปัญหารู้อัดรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจา้ากปอยู่บำเพ็ญไปเนิเพอยู่ในสถานที่ใดก็ได้มาทูลทูลถามพระองค์นี่อั น, นอันหนึ่งการปฏิบัติของตน เวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อของใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตัน เสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็ม่นี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระภักของพระองค์ย่อมจะทะลุปุโปร่งไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวลามเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไข เฉพาะตัวเองในเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจา้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็การปฏิบัติคิตะภาว น, นาเป็นสิ่งที่ที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับ เพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เ็ยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนา จ, จึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้อง สมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูจันมั่นอืมจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตะภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเขี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลกต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องไม่เสียเรื่องเลยนล่เป็นสำคัญการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนิน อย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบินทบาทเป็นวัดเนี่ยหรือในทุดงศิษสามอย่างนี้ชั้นมือเดียวเนี่ยชั้นแต่น้อง <c oughs> มีอดบ้าง ันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็กเห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละลา ย, ลลายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนาหรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรนี่ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกันกบธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำหรือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตันหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิ เพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าถาดขันก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธิยากมากเกี่ยวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของถาดขันมีกำลังเป็นสิ่งที่เสริมจิตไฟ ฝ่ายีิเลดได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นี่นิระที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการผ่อนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นก้าเข้าสู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ ทั้งทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างพาดผานที่สุดเลยเป็นประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนั่นแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกเตมมน วิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารดูรออดอาหารลงไปใจของเราสงบง่ายๆนี่ก็เห็นได้ชัดนะทั้งที่เมื่อวานหรือวนันศุนยนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดๆเลยว่ากําลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ําที่ไหลเชี่ยวที่สุดในกระแสะของกิเลสประเภทนั้นะแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลงนั่น นี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องได้สะแสวงได้พินิษย์พิจารณาสังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตอนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทา เ, เดินจงกลมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งทั้งที่จิตมันเร่ร่อนร่อไปทวีปไหนก็ไม่รู้นันก็สักแต่ว่าทำไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่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 นั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานวิเลศให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตอดรูงตัวเองทั้งนั้นผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สัจกจธรรมก็ไม่ได้เรื่องใดราวอะไรการนั่งห ร, หรือกา ร, ารไม่นอน อางที่ท่านว่าเนศชอในธุดงข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่จะตั้งสัจจะวิ า, านไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันมีท่านอยว่ในเนศชอทุดงไม่นอนถ้าถูก ก, น, กนิทนิสสยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาส ที่ควรจะทำได้สำหรับทุดงข้อนี้เนี่ยถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจะหลุดนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบชวนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการผ่อนอาหารฉันมือเดียวก็รู้ว่าฉันมือเดียวก็ว่าก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลมุ่นหมายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกาลังแต่ การฉันมือเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาตม์จึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมือเดียวก็ผ่อนลงเดนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดเลยครับสําหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมากจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราก็ต้องในตะเกียบตะการอยู่นั่นแหละอะแล้วการเดิน เดินจงกรมเดินจีนจ๋ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกําลังทํางานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากดหากติกามาตั้งบังคับตนื่อก่อนด้วยอํานาจของกิเลสมันเคยกดถี่บังคับเรามาการเดินจงกรมจงกรมมันก็จะหาเรื่องมา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 อย่างแท้จริงแต่เดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอเวลาเวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มาเวลาจะเดินยังกลมมันก็มาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ออกนอกผู้นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัธรรมทั้งหลาย นั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องได้ใช้ปัญญามากถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่งทนเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์ทุกทนทนนี่เฉยเดินก็นเหมือนกันได้เหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิดู ความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างซึงสมกับว่าเราภาวนาจิตอภาวนานนในการนั่งก็เหมือนกันนั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งจังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจรารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอน เมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกข์ขัดประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนผ่านในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกข์ขัดประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้ให้สู้มันได้ด้วยความตนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทา ไม่ไม่ใช่การอําเนืนออายาศัสตร์ด้วยมากมีชาติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดมันเกิดที่ตรงไหนนั่นเรียกว่าปัญญาทุกข์ทุกข์กนี้มันมีอำนาจว า, าสนามาจากอะไรตะกีก้นี้พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาคือกายท่านว่า ในสติปัฏฐานสี่ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรไปตายก็คือรูปร่างกายของเรานี่ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนอยากเรียกว่ารูปนี่เรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆนะเฉพาะการนั่งภาวนามัน มันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขและการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอายะวะส่วนใดเช่นเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดมากกว่าเพื่อนทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยปิตภาวนานั่นแหละ ต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียว mm hmm. นี่บบเรียก ว, ว่า mm hmm. การพิจรารณาเืทุกขษัตย์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้ แยกแยะดูทุกอันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งน้ำเท่านั้นส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสาคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นนมันจริงไม่ใช่อันเดียวกันเห็นหนังออกร้อน เหมือนหนังจะพองไปหมดความออกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกยังไม่ แคทุกข์เกิดมีตั้งอ่แนายมันก็หมีนมันอย่าง น, นัมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในะขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บก ร, กระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนนะ่นะน่ะ มันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันมันไม่ใช่อันเดียวกันกําหนดที่ตรงไหนจิตต้องจอ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวสนากับกับถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะต่างๆที่เรากําลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สักได้ส่วนนล้วพิจารณาดูจริงๆก็ กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเทียงเข้าหลายครั้งแ ล, ล้วผลความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอือาการนี้มามาทุกข์อะไรหลายนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สั่งแต่ว่ารู้ อาการที่ว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั้น่ะมันทุกตรงนั้นทุกตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกขเช่นว่ากระดูกเป็นทุกขเมื่อกําหนดลงไปจริงๆให้ทราบทัดกันแล้วทุกขนั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกขนะ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 ที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าสิ่ง น, นั้นเป็นทุกข์สิ่ง น, นี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อเนื้ออะไรก็ตามเป็นทุกข์ไงแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่อาการหลังนั้นต่างอันต่างกิงนี่ท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างกินแล้วก็อยู่จิดก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นเหมือนก็ดับแล้วก็มาดับที่ที่ที่ใจเรานี้อ อ า, อาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันเหมือนกันสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่มีเห็นไม่เห็นมีอะไรเป็นค่าสิทธิ์ต่อกันนี่เรียกว่าอริยสัจจริง์ท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยจังทุกเป็นของจริจรงๆอย่างนี้สําหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกแล้วจะไม่มาตําหนิทุกนี่เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทําร้ายป้าศีเราไม่มี มันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่า น, านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถึงว่าทุกขังอริยะสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลย<อ>สมุทัยและอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่และอย่าง อ, างอางนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยเนันนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัย มันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุดฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยมันมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสาคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุทัยมันก็ดับลงไปได้นี่เทียบว่าสมุทัยดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญา เมือม่อเมื่อชุทามันดับนี่โดดคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนี่การนี่หมายิ่งการพิจารณานั่งพิจารณานานๆหรือว่าเป็นเก็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเวลามันเก็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติไม่ถอย มันจะหมุนตัวเขาไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงที่เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจิดนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ําเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกเวทนาในเวลานั่งมาก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 มันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยถ้หาทาั้งๆที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาทางที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทยัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วย แลดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นเรียกว่ามากสมบูรณ์เมื่ อ, อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธกำลัง ม, มากเพราะอำนาจของนิโรธกำลัง ม, มกเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงเยากถึง คนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่ mm. แลพระพุทะเจ้าท่านท่านตัดสรู้ขึ้นมาตัดสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นเฉลี่ยมาทั้งสิ้นในจุดนี้ในถ้ำกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่าน mm. เพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยคเคยล้าสมัยไม่มีกรรมการสถานที่เว ล, เวลาเข้าไปเหยียบย่ําทํำลายได้เลย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 นี่ยที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้พึงเห็นด้วยการพิจิตรณาเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยละ่ะเป็นเรื่องของเราเอ ง, เ, องเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติเกี่ยกัความหยุดทน้น ก็ลูกขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อลูกขึ้นอยู่นี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญห า, าพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีตะกิดที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านะท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้ พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับผมกิริยาแห่งการประกอบความภักยันหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทํางานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกเแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทํางานเอาจะหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทํำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไร ไม่แต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรอเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่ศัพท์ได้ให้แก่หัวให้แก่หัวใจเรานี้สิให้ดูตรงนี้ทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านไม่ไปยุง่งเหยิงวุ่นวายกับจิตนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขา พอเขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้น เ, นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลกธรรมสิบประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปท่านกิเลมันไปแ บ, บ่งสารปัญส่วนเอาไหมไม่มีสันเลกธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดกราวกิเลส ตงซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลยครับสันเลยการทำฟังคืออปิชตานมีความมากน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยจีวรบีบาบดเพื้อนาสนะทิลานะเภสัตยาแก้โรคแก้แกไขเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนูนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษา อภิชตาตเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นมม่ไม่เห็นตาคือความมักมากอภิชตาตเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสัญลกักษณ์ธรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมักน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มักน้อยนั่น นี่แหะท่านเรียกว่าอัภิชาตาคือสันเลยกาธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปอย่างนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่ที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเล่พุ่งเฟอเ้อเหเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีมเป็นพึงใช้พึงสอยพึงคบพึงชั้นในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขั้นหนึ่ง ขั้นเยี่ยมก็คืออาปิชาตามากน้อยมีมากเท่าไหร่ไม่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยน้อยนี้เท่านั้นกินน้อยนอนน้อยอผู่นง่ายหว่างนี้ใช้น้อยไม่ฟุงฟ้งเฟ้อหือหืมในสิลทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิดิยแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ไม่สองของ้อนแล้ววิเวกตา คือชอบวิเวกสงับ <c oughs> ไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรกันไว้ชอบในที่สงับวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงัดวิริยาลัมพาประกอบแต่ความภาคเพียนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสคณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมีตนเป็นผู้ผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่า น, านั้นทั้งที่นี่ละสันเลขธรรม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 นี่ทำเป็นเครื่องกราบยิ้เล็กฟังซิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็ น, เ ป, นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รกักศีลเท่ากับชี้ทั้ตงตัวเองเพราะศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ให้ด่างพร้อยทำลาย ไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยและสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความนักไข้ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ่งซานวุ่นวายเพราะกิเลสมันทายฟุง้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทาใจให้เราให้สงบให้เย็น ท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นไปเป็นเปน็นขั้นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญากถาปัญญากถาละเป็นสันเลขาธรรมแต่และข้อล้วก็พูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาที่ที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทําให้จิตหายไปจากใจเรา แต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันพิเลษต่างหากนั่นนังเลยมีเมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็มุมตดคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมีญาณอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นมิมุติยาทัศนะนี่แหละทำสิทธรริ ป, ประการท่านกล่าว ท่านท่านท่านแต่กล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าไม้ในกล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียั้นโรค ก, การสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพะระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทาและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมการเลนะธรรมธรรมสากัะฉาการสนทนาธรรมะเป็นการปรีเลา ท่านบเป็นมงคลนันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคลสามสิบปดการกล่าวทำเหล่านี้แหละเป็นมงคลชนจเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกในสนทนาโลกก็ยังโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นทำพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้คือว่าการเลนะธรรมาสักฉาธรรมมาสักฉานั่นนะฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามอย่แล้ว ทำที่สนทนา น, นั้นคืออะไรท่านก็ บ, บอกไว้แล้วว่าสันเเลกทําทั้งสิประเภทนี้แหละเป็นทำเพื่อสนทนาเป็นทำเพื่อรื่นเริงมันถึงตอแก่กันกันได้ประโยชน์เป็นชีลมงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของข้าเราที่จะให้เห็นผลไปจักตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้ยังเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสําคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใด เราอยากเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดรอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดรอยไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกําลังมากขึ้นไปให้มันสังหารเรานะงานนั้นคืองานที่เลวที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หวังกิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเล็ว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 พอ่อปูนหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนธนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไร น, ะนี่แหละท่านว่างานของพระให้เป็นอย่างนี้ขั้นพุทธการท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะแในตำลักตําลาก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผลเห็นตั้งแต่พระโมกขณาลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมกขัาลาไปคอยดูแลนางวิสานางวิสาขาเป็นผู้สร้างปูผาหลาง ขึ้นมาอฉลองหมดเงินถึงอะไรยี่บเจ็ดโกดั น, นให้พระโมคกขนาเป็นคู่ไปคอยดูแลพระโมกขลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมกขนาท่านเป็นพระอะไรล่ะออในตำหำนักตาราก็แสดงว่าอย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมกขนานั้นอ่ะอุจะหมดไปอยู่ในสำ น, นักของบุรุษเจ้าแล้วเพียงเจ็ดวันเท่านั้นได้สําเร็จเป็นพระสารขึ้นมา พระโมกขณาท่านเป็นบ ร, ห, รหัตบรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นบรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านในช่างเขาทําท่านเป็นผู้เป็นอยแนะนำเป็่คยดูแลเท่านั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่งเพราะพระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ละทำไมจะสั่งพระโมกขณาไปให้คิปหายล่มจมมีเหลือนั่น พระโกคนาก็เป็นพระอหันด้วยแล้วอะไรมาคิดหาโวคจบอย่างนั้นน่ะข้าพุทธกาลท่านทําอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ ฟ, า ด, ฟาดกันลงไปฟาดกลงไปอยา่างนั้ก็ปรากฏชื่อดูนนามว่าโด่งบ้า ด, ดังว่าฤทธาสกดาลุาพหามากเฮ่เก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยฮ้ไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสมันพังไปหนึ่หัวใจอย่างสิอา้าวถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เธอ หาความทุกข์ไปได้แล้วนะอืเอาให้มันเห็นสิทําไมจะไม่เห็นจิตเลีมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้เรามากมากขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำท่าสร้างกิเรีทําสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิตเรีทั้งนั้นแล้วว่าจิเเรียามันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมือ่อเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาเวลาให้มันลําบากลําบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กําหนด ว่าจะตายเวลาเท่าไหรเท่าไรความทุกข์ความลําบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไห น, ปนไปยัไงไม่ทั้งนั้นหรอกขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอดุธรรมเถอะมันพออยู่นั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุก ข, ขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี้แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้ หรืมีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้โหยมันสร้างอะไรเออเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้ใช้เฉยอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ก็ได้ทําประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแะ่ะหากสร้างอืมเขาว่าตัวเก่งตัวมี น, น, นิทาสกานภาพ นี่คนเคารบนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจทีใครเคารพไม่เคารพ ก, ก็ช่างเถอะเอากิเลสนั้นมันพังในหัวใจเลยนะอยู่ไหนก็อยู่เถอนะน่ะไม่ต้องการนะใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพ ก, ก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่ไม่อาจไม่เ อ, อื้อมไม่ไปขอแบ่งสันปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทานและความสนับสนุนรร โ, โลกธรรมทั้งแปดมันเป็นเรื่องสมบัติของโลก สมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ทำมาสมบัติที่ความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุง่งปฏิบัติอย่างนั้นสินะปฏิบัติอย่าไปดินน้นรนกวนกวาดนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเร็วที่สุดค่อยๆพูดอยู่แล้วเอาฟาดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทําเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทันกันถ้าทําไม่เก่งนั่นมีแต่กิเเหียบหัวเหียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งไปเปล่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหน แล้วปมเพียงไรแต่เมื่อมีทำแล้ามันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดจะลงไปมันรู้ทําไมมันจะไม่รู้พระริเจ้า ว, วิเศษพ่ออะไรก็วิเศษพร่อทำทําไมทําประสิทธิประสิทาให้โลกเพื่อความรู้แจง้งแจงทะลุเพื่อความเสด็จสนาทําไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าถ้าเรายัางสนใจในอานา ร, รัมอยู่ทำามมันจะโง่วะพระริเจ้าไม่ไม่ใช่ทรงศาสดาองโ ง, ง, ง, งสาวกทั้งหลายไม่ไม่ใช่สาวกอ ง, ง์โ ง, ง่พราะที่จะสอนคนให้ ให้โง่แล้วนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติ菩萨แตบมันยิ่งโง่ทุกวันทุกวักนมันเพราะอะไรอไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรอมันถึงได้งโง่มันถึงได้โถกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนล่ะกิเลสมันเป็นยังไงอย่างที่พูดมาตากที่นี่ ย, นยุ่งนั้นยุ่งนี่ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อาปิจิตาหมากน้อยมากๆเสียเนหาความหาความเพียงพอมาได้หาประมาณมาได้หาเหตุหาผลมาได้ ทำอะไรหาเหตุได้ผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิจึงจะมาแก้กิเลดได้อการแก้กิเลดไม่มีเหตุมีผลแก้มไม่ได้นะฮะบูปีนาใชเวลานี้มันเป็นไปอย่างดือด้อดัอด น, ด, นด้านนนะนี่ยสําคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าแล้วรู้แต่มันทั้งทั้งที่มันดือด้อดืทั้งทั้งรู้อยู่นี่น่ะ มันจะแก้กันได้ไงแล้วเพราะโรคมันดื้อยาอันเนี้ยสาคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี้ยกิเลสดื้อธรรมไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเศษสารปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซ้ำขนาดไหนก็ปั้นย้อมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไหมก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทําไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่ไปแล้ว ของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันช่วมรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ธรรมก็มีโลกก็มีนั่นทั้งสี่งกิเลสก็มีธรรมก็มีทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมากเทียบมาเทียงกันมาได้หลังที่เคยพูดแล้วอ่านบำบัดความท่านบำบัจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทําไมมันจะไม่รู้อือถ้าไม่ใช่นาดด่างกับเรื่อนั้นพอการปฏิบัติใช่ นีมันทุเลศเหรอนะอะไรๆนี่แต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดนั่นไม่เป็นแบบทํามพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูออืหูฟังก็ชื่นชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจ้เข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทําอะไรไม่มันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเก ต, ตตัวเอง เมื่อคิดเมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหมายอะไรคดิดเรศนั้นบอกก่อนเพื่อนนะทํายังไม่ได้บอกแล้วคดิดเรศมันบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเมื่อเวลามันยังเมียบนาเว้นหรือเวลามันเหมียบนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อทําได้เหมียบนาดมันถึงจะรู้กันทั น, ท น, ท น, ท น, ท น, นกันทัน ก, กันแล้วที่นี่เวละกิดเรศถูกสังหารทัรงหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรรมสุขโลสุขมางสุขรังเปรามังสุขรั้งไม่ต้องถามก็รู้กันเอง อะไรมันเป็นปรมาณทุกขังทุกวันนี้นะ่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสเองเป็นผู้สร้างปรมาณูทุกขังขึ้นมาอืแล้วทําเป็นผู้สร้างปรมาณูสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยอย่างไรเรายังรู้ความรู้นี้มันปิดบังเมื่อะไหร่และทำไมมเวลาทาสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมาณูสุขขังทําไมจะไม่รู้ละ่ะใครฉล า, าดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาแท้แล้วสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่นั้นใช่มัไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่แนหะอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทัง่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลมันจเจริญ น, นั่นเองเถ้าศาสนาเจริญคือกิเลมันเสื่อมในขนาด น, นั้นอาฟาดกันไปให้มันรู้สิถ้าถ้าเรา มีเล่มีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแล้ว umm. ผมมีกําลังมังชา ม, มากกว่ากิเลสกิเลสมันก็เสื่อมเจตธรรมก็เจริญความสงบใจขอบบงเราก็ปริเมินสมาธิก็จเจริญปัญญาก็จเจริญขึ้นที่ใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีกวันหน้าปีหน้ามันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแย่งมือแยงแต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี่ยดูตรงนี้นะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อมหรือธรรมเสื่อมเวลานี้เป็นยังไง เราเดินยงกลมนั่นไงเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสิหนักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วท่านทั้งหลายให้จํามาณะคาพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องตั้งวันในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะนะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมากโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ผมก็ได้พูดโดยหมู่เพื่อนฟัง และเวลามันฟาดกันเป็นยังไงก็ทั้งที่มันพังกันยังไงก็ไดพูดให้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านนั่ไหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแท้ๆนี่ยิงได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงก็ดวงเนี่ยเราเทียบหัวใจเราเวลามัเสาะแสหาครูหาอาจารย์โอยมันหัวใจจะขาดจะพังนู่นน่ะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่ราบท่านไม่รับน่ะมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดทางทลายนั่น มันไม่อยากได้ยินนั่นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุ um. ตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนแล้วเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้ปวดหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมีในว่างไปตามหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่สัตไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดพุทเจ้าเไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมท่านลูกเห็นตามนั้นแล้วจะเอาความโู้อวดมาจากไหนก็มีแต่ความจริงนล้วนๆแล้วสิ มันจะไม่ได้เรื่องได้เล่าอะดูตั้งแต่นอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากธรรมทั้งหลายเพรอกิเลสมันย่ำยีตีเหลกไม่ดูดูตรงนี้สิทาวันนี้มันเสื่อมวันนี้เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กันมันต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมกันนะระหว่างกิเลสกับธรรมต้องมีกันไม่มีแ้วให้เขาเหยียบเขาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแก้หมัดกันสินักปะ ปฏิบัติก็เหมือนกันนะคำนั่มวยแพ้ก็ตรงไหนตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่โตแล้วลเสร็จอถูกน็อกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่โตแล้วลเสร็จถูกน็อกตายทั้งเป็นมีเหลืออะไรเอายถูกกิเลสถูกน็อกมันถึงหนึมีสังฆผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอรรถธรรมแล้วสง่าผ่าเผยไม่มีคําว่าสะทกสถานที่จริงว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่า เมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกจิตทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันเนี้ระหว่างมันเห็นตรงนี้สิเนี่นี่ถ้าแก้กไม้หมวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกนอกแล้วเสร็จไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าลตั้งกลับตั้งกันอันันตระหาล่วงที่ไหนมีอากาลิโกนกา ร, เ, รเวลาเข้าไปทํำลายได้ไไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วอาจาถึงบอกนี่พ่านเตี่ยงนี่พานเที่ยงฉันก็ว่าไป ผูู้ที่รู้แล้วไม่จาเป็นจะต้องบอกท่านรู้เองเอาละพอมากหน่อยจินี่ละเอียดปทนนี่นี่ะไรนี่ก็เครื่องมือของจิตเลยเครื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิต ด, ดีชั่วมีวบากกาเนิดนั่นกำเนดนี่เป็นวิบากแล้วเวลาสำเร็จออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของ ครื่องมือมันร่างกายเราเนี้ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจอคิดด้วลามันมันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาตะก่อนนะอืมันหลับตาว่านีา่อะไรๆเป็นเราทั้งนั้นแง่ขาวิญญาณธาตุสี่ดินน้ําลงไปเป็นเราทั้งนั้นยื่นเข้าไปจนตั้งถึงเวทนาวิญญาณสงฆ์ทุอย่างก็เราทั้งหมด มันแบกเอาหมดเวลาทามันรอบดูสิจับยัดฉันก็ไม่เอามันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงเอ้ฉันก็รู้จะชัดเลยว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปขึทิ้งตู้นี้ไปเลยไม่สนใจแค่นี้ก็รู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชาติ ไม่บังคับบังคับไม่ได้เป็นสมมุติว่ า, ามันถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังคับยึดไม่ได้นะ <S <S เหมือ น, น, อน אותו, ในตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในในธาตุในขันเหตอนนี้เมื่อมันยังไม่พร้อมแล้วมันจะยึดทั้งมันอะไรอุปปาราลักษณ์ทุนในนูป า, าดาลักขณ์ทุนสั้นนูป า, าดาลักษณ์ทุนคือยึดมัน่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวืญญัน น, นี่เวลา มันอยู่ในขั้นยืดมั่นจะให้มันถอยใหมันมันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อยสร้างจิตเตนปัญจุปารดาขั้นธาดุขานผู้สั้งเข้มหมดสรุปความตงว่ามันก็ขันตั้งห้ามมันเป็นทุกข์หนว่าบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับเป็นแตเพียงว่าคาดคาดคาดแต่ตามแต่ แต่ภาคที่จะให้มันยอมรับมันก็คือภาคปฏิบัติแจ้งกันไปแจ้งกันมาพิจารณาไปพิจารณากันไปก็ชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วนะผู้ในงานนะชัดเข้าชัดเข้าเมื่อมันพอแล้วทีนี่จะให้มันถึงก็ถือไม่ได้อีกแล้วนะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้น่ะเมื่อมันถึงที่อมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลย มันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นะทั้งๆที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมันจะเป็นดอกเป็นลูปเล็กมือมันเต็มที่ของมันมันแก่เต็มที่แล้วมันปล่อยคั่วปล่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนั่นเวลาพอตัวด้วยการพิจารณาก็เหมือนกันเหมือนปล่อยคั่วคือปล่อยมันมันปล่อยอาการทั้งห้านรูปโฆษณาสัญญาสัญญาสัญญามันป่วยปล่อยหมด ทั้งท่าติดครองกันอยู่มันก็ปล่อยของมันโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นครั้งซีถึงเวลาอยู่ในระยะที่มันมันยึดนี้จะให้มันปล่อยมันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นั่นบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้มันจึงให้พิจารณาพระอีตโตประครีกับโตทําให้มากเจริญให้มากขนาดมันจะค่อยเข้าใจเข้าใจจนมาะทั่งถึงขั้นมันรู้แล้ว นี่จำบางคับให้มันยึดมันมายึดบางคั้งมันหลงก็ไม่หลงจะว่าไงอ่านอย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะขอมันถือมาขนาดไหนทีนี้เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นนั้นมันก็รู้ชัดๆว่าเป็นอาการหนึ่งอหนึ่งจากจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตแน่บางคั้งให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บางคับให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นนะ เวลามันรู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นกี่บ้างเลยนึงว่าเป็นธรรมชาติด้วยเห็นนี่เองมาพระอระหันต์ท่านท่านจะตายตายแบบไหนตายอิทธิยาบทใดก็ตามเถ๋อไม่มีอะไรเขาไปทําลายท่านได้เลยความบุญถึงท่านนาเนี่ยเมันเป็นอัตถานะแล้วนะั่นเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้เลยเป็นอัตถานั่ในของตัวของตัวแล้วมันเติมเติมก็ได้ว่างไงนึกว่าเป็นเพียงเครื่องมือ อาศัยกไปรู้อยู่ชั้นชันอ่างอยู่ว่าเลเนาะเดีเ๋ยอถ้าุมมติว่าคณะกรรมก ม, มันไมไ่ว่าเครื่องมือมันว่าเป็ น, ร า, ปนราเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามอืรูปปั้งนี้จังเวทนาอนาตาตาตาตามไม่ใช่เรอไ่ใช่หรอว่าแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นอยว่าวังเลอเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงๆแล้ว ถึงขั้นมันไม่ใช่บางขรั้งให้ใช่มันก็ไม่ใช่กินอ่านนั่นเปบ้างไงทำให้หลงมันก็ไม่หลงบบางคับให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปทานคือความยึดมั่นนาะมาต้องมาแบกพาราเฮฟเป็นจากขั้นถาให้แบกมันก็ไม่แบกนี่มันมีแต่สุอท่านมีแต่ความรับผิดชอบได้เฉยความแบกด้วยอํานาจอุปทานเหมือนยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกนี่ว่างไง นั่นคือความรู้จริงความวทยเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านอย่างไรอย่างไรเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจํายอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยกระสรวงสวาวกมีกี่หมืนกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาขัดกันได้อาศัยไปวันหนึ่งวันหนึงเดือนหนึปหนึ่งไป้าย เอาความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟเอาอะไรกับมันยึดก็มีความรับผิดชอบยึดเยงเท่านั้นนะแต่ว่ายึดมั่นถึงมั่นั้เขาไม่ยึดเปความรับผิดชอบโดยโดยสัญชาตญาณ น, นะนี่ทางด้าสัญชาตญาณที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเอาให้เห็นจ้าชาติคือว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้ มันเหมือนตัว ง, งูเนี่ยกำลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แนะล้วนีน่ะรากไม้นั่นแหะเรามันเข้าใจว่า ง, งูในขนาด น, นั้นแล้วมันจะโดดถึงเลยเนหะ็นไหมมันจะไม่มันจะไม่เหยียบลงไปลังขาดละตรงที่นน่ำตรงตรงตร ง, ตรงที่ว่า ง, งูนั่นทั้งทั้งที่เป็นรากไม้แลเราสําคัญว่าเป็นงูมันโดดถึงเลยเห็นชัดไหมเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเอง เนี่ยเช่นอย่างเราลื่นเนนี่มันจะล้มหกล้มอย่างนี้น่ะมันจะช่วยตัวเองจนสุดกําลังความสามารถมันถึงจะยอมล้มถ้าจะล้มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับบุตรชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยพระสันทัญญาตอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นจากงูอย่างนี้นะกิ่นของบุตรชนเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเป็นวูบเร่งที แต่จิตขท่านไม่เป็ียนยับเป็นจีตยาว ข, ขันแสดงตัวยับทั้งนั้นหมดไม่มีอะไรนั่นทีน่ว่าที่ว่าลื่นนเนี่ยเอาจนกระทั่งจนจนสุดเบี่ยงะวะ่างั้นเถอะไม่ควรลม้มไม่ยอมให้ลม้มมันยังเป็นของมันอยู่นั่นอ่ะแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายกลับไปนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่นะี่จะว่ไงนั่นเรเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติสัมฆาติยาน เมลําเป็นไปแล้วมันไม่ไม่บอกนก็มันก็รู้เองผมแมวใจน้ำหนาเอ้ยยอมเพื่อหันองค์นั้นท่านมีผ่านทางนั้นทาน่า น, ทานั้นมีผ่านทางนั้นมีผนทางนั้นคนที่จังเติมไม่เกิดมาจังแต่เกิดมาไม่เคยภาวนมามันทํำไมามันไปกล้าสามารถไปให้คะแนนประตะคะแนนหงพ่อแม่หัวใจมันมันไม่อายบ้างเหรือเปล่าฮึยานะจี เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่บ้านคนต่างนี่เลยไม่เคยได้ภาวนาแล้วไ ป, ไปให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะทาําเงานไม่อายบ้างหรือ ว, ว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้โดยจากภาวนาไม่รู้โดยการสําคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดเฉยทั้ทงทั้งที่มันไม่รู้ทั้งทั้งมันไม่ฉลาดเนี่ย วิท น, นาศาสตร์ไหนนะ่ะมันจะมาทําลายจิตพระาลหันได้ให้มาเป็ น, ปป น, ปนจิตบุญชนไม่ตั้งหน้าของวิทยาศาท่านฟังซิท่า น, น จ, ะจะนิพพานตามปัญญาสายของท่านในท่าใดซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายท่านก็ทําท่านซิมันถนัดกับปัญญาสายของท่านในท่าใดท่านก็ออกท่านท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งน่ะท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนาะอาการของขันต่างหากอาการของสมม ต, ติต่างหาที่ทํากันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตินินนะ เวทนากเวทนาก็บอกแล้วรูปปังง้งในจังเวทนาสาสังขารนิตตาตาก็ว่ากนันหมดแล้วในอาการของวาละสุดท้ายที่จะปล่อยระหว่างมิมุติกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันอืันนี้พ่านคือว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานมันผูดง่ายแล้วเรากรรวานอยู่ในหัวใจมั้ยมันไม่หนึ่ง กรมก็เดินจนกรมเดินไปนี่ผ่านกันมามาสแสดงให้ท่านเห็นชัดเดือนเรื่องของธรรมไปอยงนั้นอย่างเงีการอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ชัดเจนตลาดรู้ไประสางไหนทั้งไหนตามภูมิของอุปนิสัยของแต่ละคนนะคนของแต่ละองค์องค์ไม่เหมือนกันหมดรู้ขท่านไปอย่างนั้นองค์ไม่รู้อย่างนั้นก็มีไม่ว่าไงมันเมื่อมันไม่รู้จะทำยังไงแต่ผู้รู้เลยจะทําไงไม่ให้รู้ได้ไงแนะ่ นี่มันต่างกันอย่างนี้เรื่องทเรรจะเอะไรไปวัดไปตวงละ่ะจะอะไไปบีบบังคับทำรรละ่ะเรากิเดีเต็มหัวใจเอาอะไรไปบีบบังคับทำถ้าไม่อยากให้เขาหัวเลาะว่าโง่ขนาดไหนนั้นบวชทั้งบวชตัวฉลาดนั้นท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องตายพระรามทานว่ามอย่างนี้เลย มีปัญหาอะไรไม่เลิกเป็นเลิกตายมันจะไปให้ให้เป็นภาระอะไรกลัวได้กลัวเสียอะไรกับเลิกเป็นเลิกตายของพระละหันละ่ะมันก็สมมุตลิล้วนๆอันหนึ่งก็วิมุตติวิมุตติแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจมันวิมุตติแล้วตั้งแต่ น, นั้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่โ น, นั้น อันนี้ก็มีแต่เรื่องขันที่ดิ้นดิบอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปตามเรื่องมันเนี่นพอถึงวาระของมันแล้วก็ปล่อยพุทธพ่อแม่ครูปฏิบัติทางพ่อแม่ครูจานทร์มั่นเราพาดาเนินมันรู้สึกว่าและเป็นแบบฉบับตัวอย่างกว้างขวางมากนะถ้าผู้ไม่ทันนงถ้า กรรมไม่บุญบรนดาลที่จริงๆแล้วจะยึดหลักปฏิบัติาของพ่อแม่กูจันมันนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจํานวนมากมายนะนี่เราเขียนประวัติของท่านออกมาอย่างนี้ก็ดีปฏิบฏัติทางพระจุลกุมารานสายกูมั่นก็ทีสองเล่มนี้สําคัญมากที่สุดเพรานี่เป็นเรื่องปฏิบัติทาของพระจุลกุมารานสายกูมัน่นแท้ๆนี่เป็นแบบเป็นฉบับง่้เป็นอย่างดีนะ ถ้านไม่ใช่กรรมดาลจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝักตายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านพาดําเนินมาตามแบบสาระบััตจริงๆไม่ไม่นอกเหนือนอกคลู่นอกทางไปที่ไหนเลยตอนนั้นนะตอนสําคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะให้ฟังเฉพาะเฉพาะนี้แหม อัศจรรย์ดีนะเวลาท่านเทศส่วนมากท่านมากักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะเฉพาะคุยกันสองสามวงตอนนั้นอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านนะมันไม่มีได้สมัครสนาดิเวลาท่านพูดออกมามีตั้งแต่ความอัศจรรย์ น, นั้นเราอัศจรรย์ท่านทำไมถึงรูล้ละเอียดล้วท่านเล่าอะไรออกมา ละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในตำราตัวลราว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินอยู่นั้นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ทั้งก็รู้่งนั้นท่านก็เล่าเอาความท่านเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั่นเราก็ฟังอยู่านี่อยู่ว่าไงมันต้ง้งไม่มีในตำลามันก็เห็นมันก็ฟังอยู่เดียวนีอยู่ว่าไนี่จีถึงว่าแม่ละเอียดมากเอออย่างที่ที่ดูได้อย่างที่ว่าแปดสิบแปดสิบ ทันย้ำย้ำล่าอยู่ในวงสังฆมณฑลที่อยู่กับท่านใครจะไปสงสัยก็ประกาศป้างป้างอยู่ในวันอุโบสถเวลาท่านจะวาสังสอนเสร็แล้วอย่างนี้ที่นึ่งอย่างที่ว่านับข้อมือเห็นไม่ดูกันนั้นนี่อนาคตตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยางน่งำพูดอย่างอาถรรพ์้วยนะพูดธรรมดาธรรมดาเลยนะ นับข้อมือไปกึ๊กกึ๊เวลานี้มึงอายุเท่านั้นแล้วนี่นะแล้วก็นับไปก๊กกึ๊กพอไปถึงจุดอย่างก็แปดสิบนี่เท่านั้นมันมากเมื่อไหร่มันนานเมื่อไหร่พยาจะตั้งใจก็ตั้งใจไปที่ถูกเท่าตายน้ำมหาวุฒิแก้ยากมากแก้จิตไม่เหมือนจังอื่นน่ะนี่ที่ท่าอย่างนี้จะแก้ให้น่ะมันผู้อย่างอาถรรพ์ พอถึงพ อ, พอเริ่มเป็นป่วยทั้นก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเล ย, เยวีดีั่นท่นท่านท่านชัดตั้นตั้งขนาดไหนฟังสิไม่ได้คทุกตะทางตอนที่ท่นพูดถึงนังเทพเนี่อันหนึ่งไม่สะเอียดมากนะพูดถึงนังเทพมา ที่ว่าเชียงใหม่ไม่มีมากวกว่าเพื่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดวิเวก ม, มากกว่าทุกแห่งฉันเองคือหนึงง่ายนะกบเพิดทั้งกายทั้งกาแล้วก็หลังไหลไปทางสงัดมากอย่งมาทางนี้นตำราจะมีเป็นบางเวลาเท่านั้นนะมาฟังสิเช่นดังวันเข้าพารรษานก็มีพี่ศาขับบูชามาข้าบูชา วันเข้าพรรษามีมาคือวันพันมีวันต้อคพันตามหลักพุทธศาสนานี่ยมีมาอันนั้นไม่ได้เว้นนิ่หนาหว่างกันมีนุ่หว่างกันฟังสิผมไม่ได้เขียนมากมายเท่ะเพราะเขียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้วเรื่องพวกเทพพวกอะไรต่างๆที่ในประวัติมันของท่าน เสียันพอเป็นป่าเป็นทางเท่านั้นพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้อะมากมายอะไรเลยเพราะพ่อเห็นมากแต่มากแล้วเราเขียนเอะไรมากมายนะหนึ่งตอนที่พระอะไรอุปวันเนี่ยที่นั่งต่อ พ, พระพระพักของพระพุทธเจ้าตอนรู้เจ้านะรุม จ, จะเป็นวันปฏิพันธ์ในวันไหนจะปฏิพันธ์ ที่พวกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทางนั้นทางนั้นเขาเขายกโทษพระอุบาลดเขาจะเห็นองค์สัจดาเพราะอุบาลมามามาบางังนั่งบงังนี่ถ้าอุวาลไม่รู้นะพวงทั้งไล่อุบาลให้หลีออกไปนั้นแล้วไล่หลีออไปนะไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้ระวาล รีบออกไปเราก็ลุ้นพระอนุนทูลถามที่ไล่เพราะให้พระอุปวารออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็รเทพพวกเทพ เ, ทเข้ามาความร้อมเต็มหมดนั่นพระอุปวาร น, นี่มานั่งขวางหน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายคว่านั่งบงังเลแล้วเขไม่เห็นเขายกโทษพระอุปวารว่าเงี้ยเขายกโทษฟังที่กิต เทวดาก็ยกโทษตัวอย่างนั้นนะมีในตำนานมันเป็นระยะที่พระพุเจ้าจะนุ่มเป็นคืนจะปณิพานไงผมก็ลืมๆใช่จำได้อย่างนี้เท่านั้นเองมันเป็นคืนนั้นนะมั้งมาเทวดามาเรียนโลกธาตุมา พระวานนี่ก็เคยเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้านะแต่ผู้ประถาสุดท้ายก็คือพระอนุนนท์านที่เชียงใหม่แล้ว<อ>ไม่ได้ดึกดื่นอะไรนะล่ะ<อ>นะแม่กี่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาแล้ว ม, มันสงัด น, น่ะ<อ> ประมาณทักสี่ทุ่มเลยก็มาแล้วที่เชียงใหม่บรรนาของพวกเทพนี่มากที่สุดเชียงใหม่เพราะมาจากไม่ใช่มาจากพวกขุกขเทวดาอย่างเดียวมาจากชั้นต่างๆเทวดาชั้นไหนๆมาไม่ใช่น้อยๆการพูดถึงเรื่องความละเอียดของพวกเทพนี่สําคัญมากนะที่มาเนะี่ยและความละเอียดอ่อนของเทพ ตามขั้นตามภูมิที่มาเนี่ยละเอียดอ่อนมากปิดกันมากกับพวกเทวดาน่ยภูมิเทวดาอะไรอะไรๆเทวดาท่านบนุญสูงไปประเดินดับแล้วยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนถึงท่ามาหาผมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายสบายในพวกเรามันหลับ เราเรายังไม่เห็นใช่ไหล่ะหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งนะ น, น, นพูดไปเข้าพันธสนญญดีนะหลวงปู่ฟั่นองค์หนึแต่ถ้าถ้าให้พิสดารเหมือนหลวงปู่มั่นหาัไม่พิสดารับหัดเป็นพยานกันได้ไหมลงปู่ฟัน่นเป็นพยาน ก, กันได้เรื่องรู้จิตของคนอื่นหลวงปู่ฟั่นั่นก็รู้เหมือนกัน ตอนท่านท่านอยู่เชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟังรู้เดวก็รู้ว่ได้เขียนในในนั้นในประวัติมั้นแนละ้วพอจิตของเรารวมไปกำหนดดูท่านเมื่อไหร่ที่ว่ยท่านดูเราอยู่แล้ว <c ười> ออมันยิ่งกลัวยิ่งอายกันพอจิตชำเรืองเหมือนกับว่าชิชำเลืองว่าไปเฉยๆท่านดูเราอยู่แล้วตแตงเมื่อไหร่ะดูแล้วแต่เมื่อไหร่โอ้โหมันก็ยิ่งกลัวแล้วอ่ะ คืนที่ท่านจิตของท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงออกจริงๆขั้นล่ะเราก็ไม่เคยปรากฏพึ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยขั้นว่ะขั้นจันทร์ฟั้นคือปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านนะท่านอยากไปพระเยาเย้ยภาวนาทางโน้นทางนี้พอเนึ่ในใจแล้วเอาละวางกันนะปั้นขนาดนั้นนะไม่เอาจันท์มั่นเนี่ยท่านไม่อยญ่ขนาดนั้นนาวางกันเพียงเรานึกเท่านั้นก็เอาเถอะ ไปนี่ยังไม่ต้องพูดอะไรละ่ะท่านจะออกมาก่อนแค่นั้น น, นั่นแหละท่านว่ามันจึงเข้ากันได้ตอนที่ว่าพอกิตทั้งเราสงบรวมลงไปที่กําหนดดูท่านเมื่อไหร่อุ้ยท่านดูเราอยู่แล้วแล้ววางกันเนี่ยมันเข้ากันในตรงนี้ท่านว่าที่พอเราเลิก่าจากจะไปภาวนาตรงนั้นตรงนั้นก่อนเช้าพอไปเอาบริหารท่านกุฏนไปที่ไหนหนีไม่ถามนะท่านว่านี่มันก็เหมาะเลย น, นะ เป็นที่มันไม่ดีอ่ะแล้วถ้าเกิดขี้แกงเหตุผลน่าจะเรื่องไม่ดีอะไรเลยหากไม่มากนะห่าจับเงื่อนได้พอพอบอกกันแนนี้นานแล้วเขาก็ ก, ก็สงบไปอย่างที่นี่ก็หนีทสองสาวันอีกแล้วจิตเนี่ยมันมันอยากไปเที่ยวพรวันอยากออกไปภาวนาอยื่เปีเป่ยวๆอยากประดับเจ้าของดูแล้วเนะพราะท่านเปิดประตูกุฏิออกมานะ ตาท่านจังเราๆท่านรู้สึกท่านเมตตามากหรืกับผมสนว่างันนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันมันเหมือนกับอะไรของเราก็มันมันก็พูดไม่ถูกนะมันอดรู้ท่านไม่ได้เนี่ยว่าเงินนะท่านจะฟันกันอีกเราก็มันก็อดพูดไม่ได้นมันอดรู้ท่านไม่ได้นี่เห็นว่าเนี่ยหนึ่งท่านอาจารย์ท่านพูดปกเกลือกนะนี่พอเปิดประตูปั๊บ ไหนไปะหาดับที่ไหนใช่ปะอยู่นี่กระดับลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่สะอูในการที่จะดับนี่นะแล้วไปอยู่โนใครจะไปดัดให้หละ่ะเจ้าของดัดเจ้าของเดี๋ยวทะเลทลายไปเงียบนะเนี่ยอันว่างเนี่ยี่ น, น, ยนี่มันเหมาะเลยนะเนี่ยเราก็หมอะ <c oughs> <c oughs> คือท่านสู้เหตุดูผลข้างหน้าของของกรูฟันได้ดีมาไปโน่นแทนที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบไปหมดแล้วจะให้ไป มีผู้ฝึกผู้ทร ม, มานจะจะไปฝึกทร ม, มานแต่กอนอยู่นี่ก็พอแล้วนี่นะเนี่ยท่านท่านดัดไปตรงนี้เลยก็มีทั้งผู้ช่วยฝึกทร ม, มานแล้วไปนั่นจะไปไปอยูนั่นว่าจะฝึกทร ม, มานนั้นเดี๋ยวทะเลทลาย ไ, ไปไม่ในเรื่องนะเ <c oughs> นี่ยดียลลแล้วแหละท่านหลางเราก็ไม่กล้าที่จะข้ามท่านไปขี้ว่างไงมาฝืนท่านได้ยงังไงท่านว่างนั้นท่านเราไม่ต่อคำอยู่เลยนยี่ <c oughs> เป็นอยู่เรื่อยๆอยู่ พครับพอจะขอจะเราคิดเถอะบางงบ้านี่นะตอนเช้าเป็นในเรื่องทุกวันหนีมาแล้วก็วันนั่งภาวนาขึ้นโอ้โหจิตมันลงลงยังไงก็อัศจรรย์เหมือนกันนะสว่างครอบโลกธาตุเลยทัน่างนี่นะอาจารย์ท่านอ่ะไม่อัศจรรย์เลยจริงจิตมันลงยังไงนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอ วันนั้นท่านเขาบอกท่านไม่นอนมันจิตมันมันเป็นอย่างนั้นตลอดหรือตลอดเลยกันเวลาพอเป็นเช้าพอไปกุฏิท่านนี่อันหนึ่งอะที่ท่านที่มันสําคัญมากนะวานพอพอไปพอไปกุฏิท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเดินมายืนจั๊กเลยว่ะเป็นยังไงเห็นได้เลยว่าที่เนี่ยอ เรื่องความสว่างสวายเรื่องศาสนาสว่างสวายขนามนั้นแล้วเนะป็นยังไงเห็นแล้วยังเมื่อคืนเนี่ยเส้นบนาอะไรนะผมก็ลืมไปตอนนี้นะท่านท่านฟ่านหลวงปู่ฟันนั่นลอยผมเป็นไงเมื่อคืนเนี่ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังอยู่งั้นนะไม่ได้ถามท่านนี่ฟังใชเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ได้นอนนะผมว่านี่ ออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลเอานี่ก่อนเลยเห็นแล้วยังนีความมหัศจรรย์ของศาสนาเห็นแล้วยังความมหัศจารย์ของจิเห็นแล้วยังเมื่ อ, อคืนนี้เนี่ยจําอยู่จุดเดียวจนกระทั่งตอนเย็นได้โอกาสก็ไ ป, าไปหาท่านตอนเย็นหมู่เพื่อนก็ไปไปกันไปกราบเรียนนั้นพนันสิเมื่อคืนนี้ผมก็ดูที่สุดมื่อคืนนีนะ้ผมไม่ได้นอนเมื่อนะคืนอยู่ดีสันว่างเนี่ยนั่นเห็นไหมแล้วผมมั่น ใครจะมากล้าพูดอุตลัยพูดเรื่องท่านไม่เป็นลรามาอุตลัยได้ยังไงไปเห็นท่านคนมันก็ยอมเองนานๆอือโอ้ยมันถูกดัดถูกตีหน้าผ่าวทีเดียวมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้งไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองแล้วโอ้ยแต่งมากนะครับดื้อที่ต้องอยู่ก็คืออยากจะรู้ว่าท่านไหนรู้จิตขอคนอื่นจริงๆเหรอ ใครคิดอะไรท <ia> an <The> ่านรู้จิงหีือเวลานี้เราอยากจะทราบว่าอยากจะทดลองนูกว่าท่านเราอยากให้ท่านรู้จิตของเราอ่ะเราเป็นยังไงเวลานี้อ่ะคืออยากเราตั้งสัจจะฐานกราบพระนะตั้งสัจจะฐานแล้วก็ให้พากว่าท่านอาจารย์มั่นรู้จักจิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จิตรู้จักจิตของเราจริงหรือรู้จักจิตคนอื่นจริงหรืวันนี้เวลานี้เรายังอยากจะทดลองท่าน ท่ามืดหากว่าท่านรู้จริงๆเนี่ยเราไปนี้ให้ท่านทักกันเลยนะเอาลดลงจุดที่ำคัญเลยเาวางนั่นผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริงนี่เราแอา่ท่านกำลังเงย็บผ้าอยู่ขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านอย่นั่นตาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะแล้ว่าบวล้างวาหรืออะไรมันก็เลยยอมแล้วนีโอ้กลั ว, วแล้วนะ มองดูถ้ากล่าวแล้วท่ายก็เย็บผ้ากับพระแล้วพอกล่ า, าวแล้วก็คานเข้าไปแล้วคานเขาไปเรวก็ขอจะไปขอเยี่ยมท่านย <c oughs> ุ่งทําไมวะนี่เห็นไม่ล่ะอดีบีเอาละนะกูตาเอาละที่นี่วะแต่เปนยังคอยจัจับเงือนที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่แต่นี่เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายไปนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะ นี่หมดเวลาจะพูดนะที่นี้นี่ที่มันนอ่นผ้าผู้ปฏิบัติทั้งทั้งหลายเนี่ยก็มาอก็อ่กากรรมฐานผู้ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทำทั้งหลายก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของเจ้าของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาวานาไม่ดูจิตเจ้าของดูไรนี่อยากให้คนอื่นมาดูเจ้าของดูเจ้าของมันบ้านีน่กรรมฐานขี้หมาอะไรฟังสิเข้าก็ไดไหมนี่ งั้คนอื่นมันรู้จิตเจ้าของกระทั่งยู่ของไม่สนใจยนอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานที่หมาอะไรเงโอ้ยท่านน่งก็ยอมอยยอมเลี้ยยอมเลี้ยยอมไหนที่นี่ยอมนี่ฟังไงอือยอมยอมจนกระทั่งไม่เหลือเลยยอมหมอบล่าเลยที่พอจิตท่านพูดอย่างนั้นก็กระทําธรรมดาท่านก็พูดแบบธรรมดาท่านก็หยุดแล้วจบคราวนี้เขาไปขอเย็บผ่าท่านให้เย็บเฮ้ดูสิ นั่นผมไม่ดืมอมาถึงมาอะไรผมมันดื้จริงๆลดื้อห้ยเลยนะผมนั่นแหละเพราั้นหมูกว้นถึงเนี่ยว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่านเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอาหารน่ะท่านกับผมได้ดูกันท่านได้ดุผมมากกว่าอาหารมีเจตนาคนละอย่างนะย่างหมูกื้นเวลาออกมาแล้วหมูพื้นว่าไอ้ผู้ใหญมันอยู่นร มันน hmm. ั่นได้คนบางคนบางทอเงือดทังส you know? <sa ul diet> like ี <tranquil hai ens> ้เนี er ่ยบางทีคนเงือดดีก็มีอยู่ดีผมนี่เฉยอย่แงเงี้ยสบายจัดผีปบุบปับเฉยเพสนใจเลยนี่แม่ทไหนดูใจแย่ทงไหนยืนยังมาอยู่ไดเงเพื่อนเบิ่งอยู่ด้ผมเสือเพื่อนได้ผมผมไม่ได้เสือผมอยู่ผมเสือเพื่อนเด้ผมไม่ได้ว่าคนเป็นเสือเพว่าเป็นผู้บาอาจารย์เป็นผู้ฝุกสามารถฝกสมานเราได้ผมจึงไม่ย่อมกายไว้ตัวท่านนี้ เราเป็นมหาญานเนยความถือเหนือถือตัวว่าญาณญาณพระเยองพระมรงวนตัวอันตัวญานหายอย่างหายมันได้ใช่ได้ผลที่มามาศึกษาก็รู้บาจั ง, งวางเสียห้องแลพอเลิก